สนาไมีอยู่ในที่ใดที่นั่นก็เย็นสนามบกผู้ปฏิบัติศาสนาบกข้องในที่ใดที่นั่นก็ร้อนศาสนาไม่มีเลยก็เป็นไฟเราก็เป็นขณะขณะใดมีศาสนามันจิตมีปัญญาพิจารณารักษาใจอยู่ใจก็เย็น ในขนาดที่ ป, าปราบปรามกับตนผู้ร้ายภายในใจิตใจซึ่งเราเริ่ม ป, าปราบปรามทีแรกก็ร้อนก็ส่วนมากมกแีแต่แพ้หนึ่งแต่ก็ยดีเรายังมีกำลังพอต่อสู้หนงถึงจะได้รับความแพ้ก็ยังแสดงความต่อสู้ให้เห็นอยู่ดีกว่าที่ยอมอย่างราบเลยการปฏิบัติทางาด้านจิตใจ เป็นขั้นขัความยุ่งยากความลำบากในการปฏิบัติแต่พราะอย่างยิ่งก็คือเบื้องต้นยากไปอีกแบบนึงคือยากไม่เห็นต้นเห็นปลายไม่เห็นเหตุเห็นผลไม่รู้เรื่องรู้ราอะไรเสรแล้วจักตำหนักตำลาหรครูบาอาจารย์ท่านสอน พ, พอมีประปลาก็เอามาปฏิบัติตอนนี้แหละยาก ทวามที่อยากรู้อยากเห็นของมีกําลังมากแต่ใจไม่ยอมเป็นไปให้มีก็เดือกร้อนอันหนึ่งไม่เคยเป็นมาแล้วมันเหลือแต่ใจใพุ่นหนึ่งอ่ะความอยากภายในจิตใจนี่เหมือนจะล้มต่างแต่สมายเรื่อความอยากรู้อยากเห็นในธรรมเวลาปฏิบัติจิตใจใไม่เป็นไปตามก็เดือดร้อนเสียใจมันคืนหน้านั่งน้ําตาล่วงอยู่กับมือ้ัทต้งมีม ต, ต, ตัวเองนี่ยว่าอํน า, า, านาจว่าสนะน้อย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 ในงานของเราที่ทําว่าถุยึดถือบ้างมันก็พอจะได้มาทดสอบตรงนี้แล้วหายความยึดมั่นถือมั่นในความอยากนั้นลงมาความทุกข์ก็จะเบาบางเลยนี้ภาวนาไปกําหนดอะไรก็มีแต่จะให้รู้ให้เห็นเพราะผนนิพพานถ่ายเดียวซึ่งขาดเอาไว้นั่นเองนิสวรรค์จะเป็นอย่างนั้นภพโลกจะเป็นอย่างนี้นิพพานจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็คาดไปเดาไปแบบความอยากมันก็ดึนแรงหลากรู้อยากเห็น จากพ้นทุกจากการปฏิบัติมันไม่ก้าวมันจะอยากแล้จะยืนอยากหนเสียืนอยากนั่งอยากนอนอยากนั่งภาวนาแบมันไม่ทํางานกับภาวนามีแต่ความอยากเดินตั้นค้มนีแต่ความอยากลืมงานที่ทํามันก็ไม่เกิดผลอะไรเพราะเหตุไมเป็นไปตามจิดที่หมายแล้วจะถึงจุดที่หมายได้ยังไงมีเคยเป็นมาแล้ว ลำบากตอนนี้ท้งน้ำพุโทโธพุโทโธเนียพุโทโธพึความอยากมันคอยแทเข้ามานมันจะอยากรู้อยากเห็นอยให้จิตเป็นอย่างนั้นนี้จิตไมันเลยเพลินแต่กับความอยากจนมันลืมงานแต่ของนะทีนี้ผลที่ท่านมันก็ไม่ได้ผลเพราะมัเกิดความเหมนยล้านเสียใจ เป็นอยู่เสมอภายนจในจิตใจแต่จะเป็นทีไรก็ตามไม่เหมือนกับปิตที่มันเสื่อมหม่ปิตเสื่อมร้อนมากจริงก็เคยเห็นเหตุเผลไปรับความสะดวกสบายสงบเครื่องเย็นภา ย, นายในจิตใจมาแล้วปรากฏเป็นพื้นเป็นฐานอย่างชัดเจนแต่แล้วมาเสื่อมไปเชี่อปิติร้อนมากจริงๆร้อนจนตัมีที่ยักที่ยั่งดีอยู่ดีเหนือนก็ร้อนมันก็ไม่ถอย มันจะจะเอาให้ได้ทันเดียวถ้าหาว่าจิตถอยทอ่อนกําลังมาเสียหรือทอดอะไรเสียนี่มันก็หมดท่าหมดหลังเลยแหงนี้ยังดีที่จิตมันไม่ถอยนี่จะจะเอาให้ได้อย่างนี้อันนี้ก็จิตมันเสื่อมลงไปแล้วมันกลับตัวไม่ได้ขอเพ้อความอยากนั้นเนีลยไม่ใช่อะไรนะความความอยากให้มันรู้มันเห็นอย่างที่เคยเป็นมาแต่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 ในขนาที่จิตรเสื่อมหาที่ชิ้นดีไม่ได้เลยนะให้ทราบเป็นไงความร้อ น, นการบวชในศาสนานี่มีทั้งนั้นเป็นร้อนมากที่สุดร้อนเพราะความอยากได้เสียชัยี่จิดเสื่อมลงไปทำไงก็ไม่ได้เสื่อมลงเพียงเล็กน้อยแล้วก็เสือเส่อมไปเสื่อมไปจนหมดไม่มีอะไรเหลือสักาาตาตาคนก็เหมือนไม่เคยค้นาเลย นี้แต่ความเสียใจนั่งเสียร้อนเป็นฟืนเป็นไฟเพราะความอย่ากนั้นนะความเสียใจที่สมบัติของตนที่มันหลุดลอยไปหายไปจากตัวแล้วกับความอยากได้กลับมาอีกสองอย่างนี้ประดังกันเข้าไปแล้วมันก็เลยมีกําลังหิงแรงอยู่ที่ไหนก็ไม่สมายมันก็ไม่เกิดประโยชน์ถึงทุกข์กัทุกข์อย่างนั้นนะไม่ไม่รู้ทางออก อยากเขาอยากนั้นอ่ะไม่รู้วิธีการที่จะทําให้มันกลับมาได้อันนี้จะความอยากความอะไราอาวบนสิ่งที่เคยเกิดขึ้นแล้วเป็นความแปลกประห ล, ะลาดที่อาจารภายในจิตใจจะได้หายไปเสียมีแต่ความเส้ยใจเต็มหัวใจอันนี้ความอยากทีเคยมันเขาไม่สามารถที่จะยังทําที่หายไปนั้นคืนมาได้จนกระทั่งมันหมด อะไรตายอยากทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันก็ทอดทุระเองทอดทุระลงในหน้าที่อันเดียรเนี้ยเรื่องผลอะไรที่เคยอยากก็อยากมานานแล้วทุกข์กับทุกแสนทุกเพราะความอยากผมไม่เห็นถทะอะไรที่นี้หมาเอาไหมนะถอมันขึ้นมาหมดมรู้ก็รู้ไม่รู้ก็ไม่รู้ละเดีเ๋ยวถ้จะพูดโทเทเนี้ยอยู่หน้ที่ใดๆประการก็ไม่ยอมให้เถื่อนเอามันจะไม่รู้จริงเหรอ เป็นไงก็เป็นพอทอดทุลันแล้วความความหยามมันก็ไม่รุนแรงที่มีความพุ่นั้นค่อยเบาลงไปไตั้งหน้า ท, าทยยํางานถูกไหมกบพุทโธยนั้นอ่ะคือนนิสัยนี่เป็นนิสัยแย่ยงนั้นมาดั้งเดิมเอาจริงเอาจังตอนนี้ได้ชมคือเป็นนิสัยจริงจังเดินผัดกวาดก็ไม่อยอมให้เผลอพยายามอยู่นั้นอ่ะปัดกวาดลันมาดลันมาตอนพยายามระมัดระวงังถึงเผลอไปชั่วขนะ มันก็ทนันกันมันก็รีบเอากลับมาได้มีถูกต้องนะทีนพอทอดทุลักแล้วจิตก็ไม่ไปเกี่ยวข้งองกับอดีตที่ผ่านมาแล้วมากน้อยทันง็อยู่ในวงปัจจุบันจะสั่งสมรือภาวณาพุโทโธนีอย่างเดียวเท่านั้นได้หรือไม่ได้อะไรๆก็พุดธแล้วแต่พุโทโธจะโดยบรรดานให้นเ น, นีย่ยนะคิดๆนกระทั่งจิตมันลง มันลงแล้วพุโทโธก็จําเป็นปล่อยสักทีหนะึงทีนี้มันลงนะเองแต่ก่อนนั้นไม่ยอมลงพอจิตมันลงแล้วก็คำว่าพุโทโธนั่นมันก็ไม่จําเป็นเรืองเร่ความรู้ล้วนเด่นชัดเจนแล้วก็อยู่กับความรู้นั่ะพอถอนออกมาก็เอาพุโทโธอัดเข้าไปไม่หวังจะเกิดอะไรก็ไม่หวังจะผลอะไรก็ไม่หวังเพราะเคยหวังมาแล้วนั่นเป็นโทษแห่งความหวังแล้วจรงความหวังแบบ พอเปล่าแบบไม่มีเห็ุมีผลแบบไม่ทำงานเอาที่นี่จะทำแต่งานถามแต่งานถึงเมื่อได้รับการบำบุ l การรักษาโดยถูกต้องมันก็สงบค่อยสงบขึ้นมาสงบขึ้นมาแน่นเข้าไปแ น, น่นเข้าไปจนกระทั่งถึงระดับเก่าอืแตกแล้วเอาถึงระดับเก่าก็ทอดทะายไว้อย่างนั้นอีกเพ่นกัน อ่าจะเสื่อมไปไหนก็เสื่อมเราเคยต้านทานพอแล้วมันต้องเห็นได้เกิดประโยชน์เสื่อมไปแ้ก็เสื่อมไปเถิดแต่ผู้คนจะไม่ยอมละอยู่นั่นเป็นประจำพอถึงมันแล้วไม่เสื่อมอ่จริงแน่วแน่มันไปโดยลำหนักแ น, น่นหนามันคงขึ้นโดยลำหนักนั่งที่ไหนก็สว่างเบาจิตเบาใจโล่งไปหมดะที่นี้ไม่เสื่อม ผ่านมาเป็นเดือนสองเดือนก็แล้วไม่เสื่อมแต่ก่อนเพียงสองวันก้าวหรือนั่นสองวันนั้นลงห้วงเลยหมดพยายามบำรุงหรือต้งใช้สี่หรือ้าวันกว่าจะถึงที่นั้นพอถึงพอเข้าไปถึงแล้วอยู่ได้เพียงวันสองวันนั้นลดลงอย่างปุด ป, ป, ป, ปัหมดเหลือแต่ความเสียใจแอะมหาใจท่านี้ต่จะเชือเอเ่อมไก็เสืมไปเถอะ เคยหวังแล้วไม่เกิดประโยชน์แต่เอาเท่านี้แหละเอาอันเดียวเท่านี้เอาพุโทโธตอนนี้คือถึงเรื่องความทุกข์มากจริงๆแต่เดชะอย่งหนึ่งที่จิตไม่ถอยมันจะจะเอาท่าเดียวเนื่ยพอพ้นพอสู้กันได้นะถ้าว่าถอยเ ย, ยี่ยงอยู่จะดีกว่านี่ก็เป็นเร่องหมดไปเลยนั่นล่แตั้นมา เรื่อยมากี่เดือนก็แน่วแน่ยิ่งมั่นคงเข้าไปมั่นคงเข้าไปจนคําบริกรรมพาวนาไม่ยอมลดละจนกระทั่งจิตเด่นตลอดเวลาแล้วถึงจะปล่อยคือความรู้ของจิตนั่นแหละความรู้นั่นแหละมันเป็นที่พึ่งถึงได้แล้วโดวยไม่ต้องอาศัยคําบริกรรมอะไรมาช่วยสนับสนุนรู้เิอ่าทีนี้ไม่บริกรรมก็ได้ทอดเด่นตลอดเวลากําหนดตรงนั้นเลยไปไหนกําหนดอยู่ต ร, รงนั้นรู้ตรงนั้น เหมือนกับเรากำหนดด้การพูดโทอั น, นเป็นฐานจิตได้ตรงอย่างนี้แน่ใจจักของว่าหนึ่งฐานมั่นคงขึ้นโดยลำดับจนกระทั่งมั่นคงป่าที่ที่เจริญขึ้นแล้วเสื่อมลงก่อนนั้นสองการกําหนดความรู้นั้นเมืองความรู้เด่นดวงแล้วกําหนด น, นั้นไม่ลนละกําหนดเช่นเดียวกับกําหนดภาวนาพุดโท เ, ดเละเอียดลงไปละเอียดลงไป มีเป็นฐานของจิตเป็นที่แน่ใจจากนั้นมาเอาละถึงเล่นอใหญ่นี่ตอนจะนั่งตล่อลุ่มไงนจากนี้หละเป็นเรื่องนั่นไปะหล่อลุกำหนดกันลงไปกำหนดกันลงไปที่แรกมันก็หลงเพราะมนเคยลงมันลงไดง่ายเพราะว่านีหลักมีฐานอันดีกำหนดภาวนาลงไปเมื่อเวทนา อันให่หลวงมันยังไม่เกิดนะ้ำพอน้ำก็สงบพอมันถอยขึ้นมานี่มันก็หลชั่วโมงเข้าไปเวทนาใหญ่ขึ้นแล้ว ข, ขึ้นแล้วอันนั้นล่มไปหมดฐ <c oughs> านดีๆนั้นล่มไปหมดเหลือแต่วความทุกข์เต็มในส่วนร่างกายแต่จิตใจไม่ร้อนข้าบคนร่างกายสั่นละหมดทั้งตัวนี่แหละตอนไในข้อสลุมบอลกันในเบื้องตน้นเหตุที่จะได้อุบายสาคัญสำคัญขึ้นมา ตอนทุกขเวทนาคือคืนมันนั้นก็ยังไม่ได้ตั้งใจว่าจะนั่งตลอดรุ่งนะยัไม่ตั้งสัจจาในใดเลยนั่งธรมรมดาแต่เวลาทุกเวทนามันเกิดขึ้นมาอ้าเอ๊ยยังไงนี่เราจะต้องสู้ให้เห็นเหตุหผลเวทนาถอวันนี้ให้ตั้งสัจจะในขณะนั้นเลยอ้าวถ้าไม่ถึงเวลานั้นไม่ดุถึงเอาเลยเอาตรงนั้นหมายถึงสว่างเป็นวันใหม่อันนี้จับพิจารณาทุกขเวทนาให้มันเห็นแจ้่เห็นชัดทางสติ ไม่เห็นมันจะตายก็ให้ตายก็ผีไม่รู้อ่ะขูดกันลงเลยทเนี่นะตอนปัญญาเราไม่สร้างไม่คาดไม่สำนึกว่าปัญญาันมีความแหลมคล่มเวลามันไม่ได้มีทางไปจริงๆนันหมุนเติ้วเลยปัญญามันออกสู้กันเลยจนกรอบเวลาจนกรอบปัญญามันเกิดจริคนเราไม่ใช่โง่อยู่เรื่อยๆไปเวลาจนกรอบหาวิธีช่วยตัวเองได้จนได้เแี่ยค้นที่หนึ่งทุกเวทนาคิดเห็นเวทนาเกิดขึ้น มากๆนี่มันเป็นไฟไปหมดที่แรกมันก็ออกร้อนทำหล้ังมือหลังเท้าไม่ใช่เวทนาใหญ่ตัวอะไรเลยเวทนาใหญ่ยังอยู่มันหมดกระดูกทุกท่อนทุกชิ้นที่ติดต่อกันีที่ตรงไหนเหมือนมันจะแตกทั้งนั้นเพื่อนสร้างกระดูกต้นคอมันก็จะขาดหัวจะขาดลงไปมันพอๆกันเวลามทุกคเวทนาพอๆกันทั่วๆไปหมดทั้งร่างกายมันพอๆกันหมด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 เนี่ยแกกันปติปัญญาตอนนั้นมันหนีไม่ได้นะมันวิ่งทตลอดหมุนจิวจิวถูกค้อนเนื้อสำคัญที่ดูเวทนาแยกเวทนากับกายดูกายแล้วดูเวทนาดูจิตมีสามเนี่ยเป็นหลักใหญ่คิดก็เห็นสบายเลยนี่ถึงตัวเวทนาจะเกิดขึ้นมากน้อยอยังไงจิตก็ไม่เห็นทุรนทุรายเกิดความเดือดร้อนระห่ำรสายเลยนะแต่ความคุกในร่างกายนีชัดว่าทุกมาก มันก็เป็นธรรมนาของจิตเรศมีอย่มันต้องเข้าประสานกันแต่แม้เช่นั้นจิตถ้าเกิดความเดือดร้อนเหมือนแต่ก่อนมันก็ไม่เดือดร้อนปุจค้นกันลงไปจนกระทั่งเห็นกายก็ชัดเวทนาก็ชัดจิตก็ชัดจิตเป็นผู้เป็นหมายไปสําคัญเวทนาว่าเป็นนั่นเป็นนั้นมันก็ชัดพอถึงขั้นชัดนี้มีลักษณะรเลยนั่นเนี่ยแต่มันเล่นกันอย่นั้นไม่ชัาบกี่ชั่วโงน่าจะรุ่ ง, ง, งบอน พอมันชัดถ้าจริงๆแล้วเวทนาก็หายวูบไปเลยกลายคือสักแต่ว่ากายกินของมันอยู่แค่นั้นเวทนาสัตว์หรือไงมันหายวูบเข้าภายในจิตนะไม่ได้ไปที่อื่นพอหายวูบไปในจิตร ะ, ะหว่างจิตพวกเวทนาดักหมดนอกจากนั้นเ้กายหายหมด นี่มันเป็นตามความจริงคือเ ร, เรารู้ตามความจริงฉันรู้อย่างนั้ให้ยังเหลืออันเดียวสักแต่ว่ารู้เท่านั้นคือละเอียดจนขนาดที่ว่าจับพราเหมือนอะไรมันพูดไม่ได้เลยมันสักแต่ว่ารู้เป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนที่สุดอยู่ภายในร่างกายหายหมดเวทนาหายหมดเวทนาทางกายไม่มีเหลือเลยร่างกายของเราที่นั่งท่าไหนาหายหมดหายจากความรู้สึก เกิดแต่ความสักจะวรู้จะแบคิดแบบปุงกันอย่างนั้นปุงไปนี้ก็แล้วนี่นะไม่ปุงเลยพรไม่ปรุงแล้วก็เรียกว่าไม่ขยับขยื่อนอะไรทั้งนั้นแน่วความคิดแน่อยู่ในลำพังตนเองคือจิดล้วนๆแต่เราไม่ได้หมายถึงอวิชชานะเพื่ออวิชชามันแนบอยนูนนั้นแนหะพอาจิตยังไม่ถอนจาอวิชช า, แ ต, าแต่มันมีแต่จิตล้วนๆกับอวิชชาซึ่งไม่ออกไปทํางานคุญแจสงบเ้นนะ เกิดความอัศจรรย์ขึ้นมาหมดพุกเศานาไม่เหลือกายหายหมดสิ่งที่ไม่หายมีอันเดียวมีความรู้อันละเอียดที่สุดที่พูดไม่ถูกคือสักจะว่าปรากฏเท่านั้นเราพูด น, นอกไปจากนี้ไม่ได้สักจะว่าปรากฏสิ่งที่สักจะว่าปรากฏนั่นแหละคือความอัศจรรย์ยิ่งในขนาด น, น, น, นั้นก็อยู่กับนั่นใช่ไหมะ ไม่ขยับขยื่อนภางในจิตใจไม่กระเพื่อมอะไรทั้งหมดแน่วนะจนกระทั่งพอเกียการแล้วมันก็ขยับคือมันจะถอยออกมามันก็เพื่มยัดใหหายไปกระเพื่อมมันก็เป็นเองของมันนะเราไปหมายไม่ได้ถ้าไปหมายมันก็จะถอนคือจิตมันพอดิบพอดีมันเองกระเพื่อมยัดนี่มันก็รู้พอกระเพื่มยัดมันก็ดับเสร็จพร้อม แค่เดียวกระเพื่องก็อีกยับอีกหายไปพร้อมแล้วค่อยถี่เข้าถีเข้านั้นเนี่ยจิุดเวลามันลงถึงฐานมันเต็มที่แล้วขณะที่มันจะถอนมันไม่ได้ถอนทีเดียวมันเขามันรู้ได้ชัดขนาดนั้นมันค่อยกระเพื่องคือทั้งขานมันปุ้งยับขึ้นมาหนึ่แล้วหายเนี่ยบยังไม่ได้ความหมายอะไรเลยกระเพื่องยับระดับไปพร้อมแล้วเดี๋ยว ยับขึ้นมก็ค่อยๆขีเขา้าพอขีเขา้าถึงมาล้สุดท่านรู้สึกตัวถขึ้นมาเป็นจิตธรมรมดาแล้วก็รู้เรื่องร่างกายเวทนาก็หายเนี่ยถ้าจิตสองนี่มาแล้วเวทนาก็ยังไม่มีหายเงี้ยนี่ได้หลักที่นแน่ใจเกิดความเท่าเทมกันได้หล่ะในการต่อสู้ทุกเวทนานี้ได้หลักเบื้องตน้นอ๋อเป็นอย่างนี้เองทุกหนเป็นอันหนึ่งต่างหากแท้ กายเป็นหนึ่งต่างหากทุกเป็นต่างหากจิตเป็นหนึ่ต่างห า, นหนงหาแต่เพราะความุ่้หลงเราจึงได้รวมทั้งสามอย่างนี้มาเข้าพันเดียวกันเลยกลายเป็นความหลงทั้งทั้งดวงจิตจะเป็นจิตหลงทั้งดวงแล้วไฟเหล่านี้มันเกิดตากธรรมชาติมันมาตมแต่เมืม่ออามาเผาตัวเองแล้วมันก็ร้อนเพราะความต้องการ น, นี้เองไอ้ร้อนรู้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 เอาอุบายวิธีที่เราเคยที่นาลูกครั้งนั้นมาแก้ทางนี้มันไม่ได้มันต้องเป็นอุบายก็สดร้นนอนเกิดขึ้นในปัจจุบันแก้กันในปัจจุบันลงได้อีกนะในคินแ้กนั้นลงได้ถึงสามผมอย่างเอาไปอย่างตะลุมบอลนะ่ะถึงสามผมพอดีสว่างโอ้ยเกิดความอาดความหาันลื่นเรงไม่ัวตายจริงฮุบมันจะนิ น, น่อยนิด้อยเท่าไหร่ก็โุบ ก็เป็นเรื่องของมันธรรมดาถ้าเราไม่ไปแบบไปหามันเสียเท่านั้นทุกข์ก็ไม่เหมีความหมาย อ, อย่านจริงมันรู้ใช่กายมันกม็มีความหมายอะไรในตัวของมันแล้วมันกม็มีความหมายในตัวของเราดีนอกจากจิตเรให้ความหมายมันแล้วก็่เพื่อทุกข์มาเผาตัวเองเท่านั้นไม่มีอย่างอือ่นอะไนมันชัดเจนออเพราะตื่นข้าง ม, มานี่หม่มันห้าวหารอยากจะล่าเพียนท่านอาจารย์ใหม่ มันเกิดความห้าความหานอะไรพูดไม่ถูกข้ามาอาจารย์แล้ไม่เคยเห็นอาจารย์แบบนั้นตักก้งแต่เราปฏิบัติมามราทั้งมดเคยเป็นอย่างนั้นมันขาดว่าขาดตอนแล้วก็รวมแบบนี้คือรวมด้วยความมุ่งอานคาหาันรวมด้วยการพิจารณารอบหมดแล้วมันถึงสงบกลัวเข้าไปเมื่อถอยออกมามันก็ต้องเกิดความอ่านหาัมาแล้วได้พิจารณาอย่างนั้นนั้นเราเคยพิจารณาอย่างนั้นอย่านั้นมาแล้วนันรู้ใช่ไถึงจะเป็นขึ้นข่าวหน้าข่าวหลังเราก็ไม่กลัวเพราะเป็นธรรมชาติอันเก่าเพื่อทุกข์กทุกข์หน ยาเขการอันเก่าปัญญาอันเก่าที่เคยใช้อยูน่นี่ไม่เควรตายจน ถ, ถึงเกิดความอะไรถ้าเป็นโลกเรียว่าท้าทายกันเอาเธอพูดง่ายๆเป็นอย่างนั้นถ้แต่ทำมันไม่เป็นอย่างนั้นมีเราเทียบเทียบเทียบถึงขาตายก็เอาเธอว่างนั่งเจ้าทุกมาจากไหนที่ยิ่งไปกว่านี้ไม่มีทุกนี้มีอยู่ในขันเท่านั้นมีมากมีน้อยได้รู้กันแล้วในขันจะออกมากน้อยหนัก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 ลงด้ทุ่งลงกนะหน่ำแล้วไม่มีวันไหนที่เราว่าวันนี้นั่งตลอดรุ่งทั้งคืนไม่มีผลอะไรปรากฏเล ย, เลยมีแต่ความบอบช้ำภายในใจิตใจหมดไปทั่วร่างกงายไม่ปรากฏคืนไหนก็คืนนั้นได้อย่างเด่นทุกคืนจงกระทั่งกับเรื่องความตายนี่มันไม่กลัวจะเอากลัวมาจากไหนความตายก็เป็นธรรมดาคือแยกแยะลงไปจกระทั่งถึงว่าอันไหนมันตาย ผมผลในพันน้ำเงื่อยก็ดูนี่เป็นส่วนท่าดินท่าดินมันเคยตายเมื่อไหร่พระหลานพระล้วเป็นไงนกาหนดตามก็แนวลงไปสู่ทาาเดินของมันท่าน้ําก็แนวลงไปสู่ทา่านน้ําตามเดิมทา่ทานลมท่านไปลงไปสู่ท่าดเดินของฝนเท่านั้นไม่ได้มีอะไรคิดหายมีแต่เชีงมาท่านเหล่านี้มาประชุมที่มาผสมเข้ากันแล้วเป็นก้อนอา ศ, า ศ, าศัยกิตข้าไปสูทธต็ตัวเจ้า มหาหลงนี่เขาไปสิงเขาฉลั้นก็ไปแบกเอาหมดนั้นมาเป็นตัวของตัวไปจับจองนั้นเป็นเรานี่เป็นของเราจรึงไปกรอบกลัวทุกเนศด้วยความสําคัญนั้นขึ้นมาเผาหลตนตัวเองเท่านั้นไั่มีอย่างอื่นนะตัวจิตนี่เองเป็นนักโทษงนะานธาตุขันเขาไม่ได้เป็นนักโทษเขาไม่ได้เป็นตัวฆ่าสึกอะไรเจ้เราเลยเขามีความจิงของเขาอยู่นั่นแต่เราแตแบกแต่หางไปสําคัญต่างหาความทุกข์จึงเป็นเราผู้ผิดขึ้นมาเองจริงวันนั้นไม่ได้ผิดให้เรานะ่ะ ม, มีอะไรมาให้ทุกข์แก่เราเมื น, นเข้าใจเราเองเป็นความส้องการผิดของเราเป็นผู้ให้เกิดทุกข์ก็คือความต้องการผิดเป็นเหตุที่ให้เกิดทุกข์ขึ้นมาพัวร่จิตใจให้เดือดร้อนรู้ได้ชัดไม่มีอะไรตายจิตนั่นก็ไม่ตายมันยิ่งเด่นพิจารณาธาตุพิจารณ า, าลงทายลงถึงาธาตุเดิมเขาเป็นส่วนนี้จิตยิ่งเด่นชัดนั่นตายตัวไหนต า, ายอะไรตาย อาการเหลนั้นมันก็ไม่ตายถ้าสินาิน้ำมัลงไปก็ไม่ตายจิตแล้วมันตายจะไหนจิตยิ่งรู้ยิ่งเด็นยิ่งเห็นได้ชัดอันนี้มันก็ไม่ตายแล้วมันกลัวตายอะไรเฮ้หลอกกันนะหลอกกันมาตั้งขับตั้งขันคำว่าหลอกนะั่นนหมายถึงเลิกเกิด ม, มาหลอกเพราความหลงนั่นเองกลัวตายอ๋อมันกลัวโรคกลัวตายกลัวเพรเห็นนี้เรียนไม่ถึงความจริงของมันก็ต้องกลัวตายเมื่อรู้ถึงความจริงแล้วไม่ชอบอะไรตาย มันไม่มีอะไรตายต่างอันต่างจริงๆเพียงเท่านั้นโหทับตือนจิตมันก็อาจหารเห็นความจรจันทุกครั้งเด่นเวลามันดับหมดจริงๆทั้งๆที่ทุกเวทนามันเหมือนจะส่งเปลวไปถึงเมฆของความทุกข์ความร้อนเป็นจุลิทนาทาีย์ภางนร่างกาย แต่แล้วมันก็ดับลงได้ด้วยอำนาจของสติปัญญาอย่างราบไม่มีอะไรเหลือเลยร่างกายก็ดับไปด้วยกันในความรู้สึกไม่ปรากฏเลยเแล้วในความรู้อันเดียวเหมือนกับอยู่ในกลางอากาศแต่แล้วมันไปเทียบเวลานั้นมันล่างไปหมดแต่ความรู้นั้นรู้อยู่ชัดเจนมีอันเดียวเท่านี้สิ่งที่แปลกอยู่ในโลกนี้ดินนั่นลงพามันไปไม่สัมบัติสัมพันธ์ คุณหมดความรู้สึกจากดินจากน้ําจากลมจากไยจากร่างกายทุกส่วนแล้วแล้วแต่ความรู้โดยลำพังตัเองด้นร้อนเป็นความรู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับอะไรเลยนั่นเป็นความรู้เดียวสัจ จ, จันา์จากการที่งานรอบรอบแล้วถอนตัวออกมาจากสิ่งนั้นเด่นทักเป็ น, นะสัจจันถ้าลงละเอีดในถึงไปเป็นเะนั้นแล้วมันจะเป็นอยู่กี่วันกี่คืนก็ตามมันก็มีความหมายถึงเรื่องทุกเวทนา ว่ร่างกายจะแตกจะดับนี้อจะเกิดปวดที่ไหนมันไม่มีจะอะไรมามีการสถานที่ไม่มีในขณะจิตเช่นนั้นนี่มันก็ทําให้ยังถึงเรื่องพระสาวกหรือพระพุทธเจ้าหรือพระพระเจ้าพระุทธเาท่านเข้าท่านมีโรคท่าบอามัดเจ็วันท่านนึอ่ออกเข้าเท่าไรก็เข้าเนี่ยมันแน่ถ้าลงจิตไม่ได้เกี่ยวข้องกับอะไรเลยเหรือแต่ความรุนรุนทึ่งศักดิ์แต่ว่าปรากฏนี้เท่านั้นแล้วไม่มีการสถานที่กับไปเกี่ยวข้อง จะนั่งอยู่ทางการตั้การ ก, ก็นั่งเธอะมันมีอะไรเข้าไปเป็นภัยได้เลยแม้ร่างกายมันมันทนไม่ไหวมันจะแตกกาสลายไปเฉยเนี่ยโดยไม่ไปะตะโกนเทินธรรมชาตินั้นเลยงานจิตมันยอมรับแหละคุณเชื่อมาสั่งข้อนี้ตรวจสมบัติได้ทมบัติได้ถ้าจิตเพียงจิตขั้นนี้เท่านั้นไม่ถอนตัวมาสู่อะไรอะไรแล้วเข้าไปมันเป็นอยู่นั้นกี่วันกี่วกเวลานั่นก็ไม่มีความหมายอะไรส่อหน่บเวลาเน่ ร่างกายมันจะมีทุกที่ไหนเพมันไม่มีเลยร่างกายไม่มีในความรู้สึกเทวนาก็มีในความรู้สึกเห็นแต่ความรู้ล้วนๆนั่งเราตั้งกับตั้งการก็นั่งได้ถ้าเป็นอย่างนี้นะนี่ก็ทําให้เชื่อถึงเรื่องพระวจนะอริยเจ้าท่านเข้ามินุตโนธมาโดยเถือนี่เป็นหลักฐานยืนดั่งแม้เราจะไม่นั่งในนางก็ตามแต่ขณะจิตที่มันสงบตัวขนาดนั้น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 เกิดขึ้นด้วยสติปัญญานี่เป็นขั้นของปัญญาอรมสมาธิคือจิตนั่นแน่วลงไปถึงเป็นภูมิเต็มฐานของความสงบฉะนั้นเพราะปัญญาค้นคว้อย่างเต็มเหตุเต็มผลและรวมลงไปอันนี้รวมอย่างอังองค์อาจก็หารรวมอย่างละเอียดมากเลยเดียวลำทางจิตที่เป็นเพราะด้วยกำลังสมาธิกําหนดแล้วลงไปเลยนี่มันเป็นแน่วอยู่นั้นเท่านั้นมันมันไม่ได้ลึกได้ละเอียดเหมือนอย่างนี้แต่จิต ที่สงบลงด้วยอำ น, นาจของปัญญานี้ละเอียดทุกครั้งไปเลยถ้าลงในตะลุมบานขนาดนี้แล้วเป็นผลขึ้นมาให้สงบและต้องสงบเป็นที่ทังที่เห็นเห็นนี่นี่เป็นรากฐานหรือเป็นต้นทุนแห่งความอาจหาหรือเป็นเชื้ออันสําคัญที่ให้เกิดความเชื่อมั่นในเรื่องของจิตความอะไรก็สูญสิ้นไปหมด เพียงไรก็ตามแต่ธรรมาชาติที่รู้นี่ไม่สูญเห็นได้เด่นชัดเป็นเห็นก็เห็นกันอั่งชัดเป็นในขนาดที่ไม่มีอะไรเลยในะความรู้สึกนั่นแหละมีสัจจะพารู้อันเดียวเท่านั้นเด่นที่สุดนะแต่ว่าขันสมาธิหรือขั้นปัญญามันพูดไม่ถูกนะเวลาจิตมันเปน็นเป็นอย่างนั้นถึงนั้นมาก็เรือยเรื่จยิดนานเลยออกทางนั่นทางนี้ง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 ในเวลาที่เราพิจารณามันยังไม่ได้เด็ดขาดให้เป็นสมมุติขีดตะปหารในเวลาพิจารณาทางด้านสัญญามันเข้าใจจะทันแล้วมันมันขาดถอนออกจากกันขาดเอกจากกันขาดกันเป็นลำดับๆขาดไม่มีเชื่อต่อขาดแต่โดยลําดับลำดับเหลือแต่ความรู้ล้วนๆเองรู้ก็ขาดปรจับความยึดมั่นเวทนาปัญญาสังขาปัญญาขาดจากความยึดมั่นเท่านั้นคือความยึดมั่นเท่านั้นหรืขาดจากเขากระถุ่มงน่ย ขาไปเรื่อยเรื่ยแต่ความรู้รด้วยจิตข่าววิชาที่ฝังจมอยู่ภายานั้นค้นเข้าไปไอให้แหลกฟันให้แหลกละเอียดด้วยสติปัญญาอันทันส ม, มัยนั้นก็แตกเพราะนั้นแตกไปแล้วหมดความอริยสัจที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของวิชาทั้าหมดห่ะรู้แล้วจึงเป็นฐานที่อยู่เป็นที่อาศัยเป็น เชื่อที่จะให้เกิดความชื่อมั่นมาโดยลำดับหน่อยหรือว่าเป็นถ้าพูดถึงฝ่ายดีก็ดีแต่ถ้าเรากระมุ่งถึงทำมัละเอียดแล้วดีอันนี้มันก็เป็นดีอยู่กับอวิชชานะไม่ใช่ดีแค้ไม่ใช่ดีที่บริสุทธิ์ดีจะอปอนไปกับชั่วกับทุกข์ทุกข์มันจะมีทางเกิดได้เลยทางจึงต้องตรรในเข้าไปอยู่ที่เป็นแหลกละเอียดทารกิจอะไรที่เป็นเชื่อที่จะให้มีความแปลก แต่กรณนดูภารกิจชำละเอาให้หมดแก้ให้หมดฟอกให้หมดจนไม่มีเหลือแล้วกหมดจุดหมดดวงถึงสมมตินรวมว่าอันนั้นอันนี้หมดแล้วความรู้สึบริสุทธิ์ทุนวนวลให้ถึงไม่มีสมมติหมดโดยประการทาั้งปวงนั่นหมดแท้ าอาจจะใจนิดหน่อยใจเราให้เราพูดพูดไปทาไมมาแต่การกล่าวมาทั้งนี้มันยากหรือไม่ยากก็ขอพิจารณากั น, นถึงขั้นจะโสดจไหลาบางครั้งมันเต็มไฟหมดทั้งตัวเลยขณะที่พินาณามันกล้าสหัสจริงๆเหมือนจะเต็มไฟทั้งร่างกายนี่เลย แต่แล้วมันก็ผานมันไปได้มันก็แก้มันไปได้ด้วยสติปัญญาเพราะฉะนั้นเรื่องของสติปัญญาแล้วจริงไม่จนกรอบถ้าเรานํามาใช้คนเราไม่ได้ง่อยู่สมอไปไม่ถึงพาจนกรอบแล้วต้องช่วยตัวเองไปจนได้ใครจะยอมให้จ ม, มหรเฉยทั้งทั้งที่สติปัญญาก็มีพอพอจะแก้หรือมีช่องทางพอที่จะเล่นลอดออกมาได้พอที่จะบุก บ, บือนตัวหน้ใครจะยอมตายจ ม, มหีืเฉยเป็นผู้เฉยต้องหาทางออกจนได้หนี่งนึ่เมืเม่อทุกเวชนามันพ่อเข้ามา แล้วมีทางใดที่จะแกงทุกเวรธนาก็มีเรื่องสติปัญญาค้นคว้าย่างนี้จมีช่องออกกันได้นานธรรมดาจึงไม่ขึ้นอยู่กับผู้ใดมาเป็นนักพิสูจน์มรรคพิจารณาถึงค้าวจนกรอบก็มันรวมตัวกันมาเองช่วยแต่จนได้พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้เราอยู่ในที่สําคัญสําคัญซึ่งเป็นสถานที่จนกรอบนั้นเองตุณหงาเพื่อจะได้ สติปัญญาจะได้ทำงานให้เต็มไม่เต็ ม, ต ม, ตมถูกต้นงการสถานที่ก็ช่วยผิดปัญญาเกิดได้อยู่ในที่กลัวๆสติมันก็ดีปัญญามันก็แหลมคมพิจารณาอะไรมันก็คล่องแค่แก้วกล้าถ้าได้ยับความอยู่สะดวกสบายมันก็ขี้เกียจกินมากนอนมากเนี่ย ดังนั้นเป็นธรรมดาขี้เกียจมากอืดอาดเหนืห่อยนายอายุสถานที่ไม่กลัวความนอนใจไม่กลัวคือความประมาทอย่างนี้นอนอยู่เหมือนหมูอีกแล้วอืายูุสถานที่กลัวนี่มันตื่นตัวตลอดเวลาสิความตื่นตัวมีอยู่ความรู้สึกตัวก็มีอยู่ตลอดเพราะความตื่นตัวก็คือสติสติปรากฏอยู่กับตัวก็ราะนั่นก็มีความรู้ตัวอยู่ตลอดเวลานั่นเป็นความเพียรอยู่สเสมอ อะไรจะมาสัมผัสสัมพันเราก็เข้าใจเข้าใจเพราะคำไม่นอนใจสถานที่ต่างๆท่านจึงสอนให้เราอยู่มันเป็นเครื่องส่งเสริมและเครื่องสนับสนุนความภาคเพลินเราได้ดีที่กุฏิสะดวกสบายดังที่อยู่ยนี้อโอ้อะไรครบพร้อมเต็ไปหมดหาการขบการทานกับล้นท่วมทั้งวันทั้งคืนน้ำสม้มน้ำหวานโกโก้โกาแฟ อาหารหวานข้าวหลังไหลมาตัดทิ์ต่างๆน<ม>ี่เห็นถ้าผู้ไม่มีสติปัญญาต้มง น, น, นอนกอดอาหารนี่เถอะเวลานะส่วนทมนั้นไม่มหวังจะได้ครองเน่ะผมมีสติปัญญาต้องฟิตตัวมีมากมีน้อยต้องหาวาฟิตตัวระวังตัวเสมอไม่นอนใจ น, นี่ก็ยังมีต้องท่าระวัง เขาไปอยู่ในที่ฉะนั้นในที่ที่จะไม่ต้องระวังเรื่องอย่างนี้แล้วมัน f ิ t ทั้มาตไปอีกแบบหนึ่งจะเอาอะไรมาเหลือเฟือลายก็มีแต่ขาดขาดฉันเคยมาบก้องทองข้าวบินธามาบางวันก็พอมันก็ไม่พอก็ไม่วิโสวิจารเพราะวดมากคีวันก็เคยอดเนี่ยไปวิโสอะไรก็เพียงวันสองวันไม่กินอะไรนมันไม่ตายเนี่ยไปงั่นเพียเันก็เป็นกังวลอาหากตับอะไรแบบนี้เหมือนกันมีแต่ข้ามาปากัเยอะ แ้่ไม่เห็นเป็นกังวลขอเรามาหาอย่างนี้นี่นี่เราก็กินไม่ปี่เป็นไรหากลับที่ไหนเข้าเลี้ยงคนมาตั้งแต่วันเกิดจนมาทั้งวันตายแล้วไม่เห็นคนตายกินได้ข้าวเป็นไรไปเรากินกลับก็กินมาพอแล้วเห็นิเศษวิโสอะไรวันนี้ฉันหาทำอันนี้เศษมาคอยยุ่งกับเรื่องการอยู่การกินม่อย่างเอยฮะนักทำมาไม่ใช่นักกินนะนแกล้งมันไปได้ปั๊บปั๊บปับั๊บเขาไม่มีกังวลผลสุดท้ายมีกังวลนั่นผล อากการแก้ขไขเดยแล้วมาฉันทํทเรื่องแล้วเข้าทางคมหูซิ่วคนนั้นนัง่งทอนนาก็ไม่ง่วงอาหารไม่มากจะไปง่วงอะไรยิ่งไม่กินแล้วยิ่งไม่ง่วงเลยใบยเนน่ย อ, อุบายท่านเพื่อสอนท้าท่านไป ท, ทาาาําุคโมเสนาสนนังนั่นฮะท่านอยู่ในป่าในเขาท่นานรอที่เปรียบเกียบที่น่ากลัว อาหารรสับปลายะอาหารที่สบายสบายที่นี่หมายถึงไม่ดังท่าหารให้กำเนิดเป็นโรคเป็นภัยหายนิตให้กำเนิดเนี่ยเรื่อาหารสับปลายะอาหารที่สบายนี้เข้าเปล่าทอนาดีก็อาหารเป็นที่สบายหินมั่งมากนี่จะอาหารนี่จะกลับดีๆกินรังการแล้วนอนเหมือนหมูมันจะเป็นที่สบายแต่สบายของกิเลสอไรนี่นันไม่สบายคลองอัดคลองถ้ำสบายเรื่องของกิเลสเรื่องหนูตัางหากเนี่ย คำอาหาสัปพายาต้องหมายถึงเกิดประโยชน์จากการถันนั่น้อยเกิดประโยชน์ขันนัน้อยของง้อ้นอนั่งของหน้าที่ไหนแน่วไปเลยแน่วไปเลยถ้าจะเกี่ยวกับการสมาธิถ้าเกี่ยวกับปัญญาต้อหมุนติว้วไปเลยต้องเข้างั้นแค่ทำมักจะเกิดในที่ขาดแคลนในที่คันดานในที่เป็นกรอบเนมุมไม่เกิดในที่เหลือกเปลือยถ้เกิดในที่พรมปือ้อถ้าเกิด ในฐานที่สะดวกสบายนอนใจแบบนั้นเราสอนเป็นอย่างนั้นพระพุทเจ้าเรา อ, อยู่หอประส า, านราชธรรมกิมานานเท่าไหร่รเวลาเสด็จออกรงรขหวดใครก็ได้ทุกยิ่งเขางพติพุทธเจ้าคิดฆักก็เกิดในที่ฉ น, นั้นอีกเหมือนกันสาวกมาจากสกุลต่างๆสกุลพระราชามหาเศรษฐีกรุงพีนั่นฟังที่ความมังมีแล้วออกมาแล้วเป็นสากลยบุคุชนี ก็จะกินรถของบริจาคแล้วอ้าเป็นยังไงเป็นตาก็ทายไม่ยุ่งเหยิงวุนวายก็ไรทั้งสิ้นนอกจากทําอย่างอย้เ่านั้นนั่นท่านก่อนไปรับความไปรับอรรั朴ธรรมในที่กันดารอีกเช่นเดียวกันกับพระพุทธเจ้าแหนเราจะเอาอันไหนดิ่งพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นมาอย่างนั้นทำมาเกิดในที่เช่นนั้นในความขัดขันลําบากลาบนเช่นนั้นทำมาเกิดกับกองทุกษ ค, ความทุกข์ไม่มีสติปัญญาก็ไม่เกิดไม่ได้คิดมันก็ไม่เกิดอืทำก็ไม่เกิดถิง้งเนี่ยทุกข์มีมาก็เป็นหินนัปัญญาค้นคว้ามันเห็นทัดเป็นในเรื่องของทุกข์ถึงก็ตัวรอดไปได้เป็นยอดคนอัลลัตติวัง